บางคนจะตายนะคิดโน้นคิดนี่ทั้งหลายตลบในจิตเนี่ยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามีเด็กคนหนึ่งอยู่ที่ทำงานหนงพ่อแต่ก่อนถูกไฟดูดตายถูกสายมนินเกียบปีนดาดฟ้าขึ้นไปฝนมันตกไปดูว่าหลังคาั่วตรงไหนมันอยู่ใกล้เสาไฟฟ้ามันไฟมันเซิร์ชเข้ามาไงมือเนี่ยหนังมือนี่นะลอกติดผนังไว้เลยี่กำลังเกาะอย่างนี้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 ความสุดตรงด้านที่2นะชื่ออัตตกิลมัฐานโยค ก, การทําตัวเองให้ลําบากทําตัวเองลําบากก็คือการกดข่มบังคับตัวเองนั่นเองคนทั่วๆไปมันหลงโลกแต่นักปฏิบัติมันจะบังคับตัวเองนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทาอัตตกิลมัฐานุโยคนี่คือเหตุผลที่ว่าทํายังไงก็ไม่บรรลุธรรมได้แต่สมถะเพ่งกายเพ่งใจไปทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติ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 เป็นสมรถกรรมฐานนี่บางคนมารู้กายรู้ใจแต่ไม่ได้รู้จริงๆแต่มาเพ่งกายเพ่งใจอันั้นก็เป็นสมรถกรรมฐานอีกเช่นเวลาเราคิดถึงลมหายใจใช่ไหมจิตเราไหลไปอยู่กับลมเลยจิตไปจอนิ่งๆอยู่กับลมมันกลายเป็นการเพ่งลมหายใจเวลาเราดูท้องพองยุบเนื้จิตถลำลงไปจ้องจอนิ่งๆอยู่ที่ท้องอันนี้ก็คือการเพ่งท้อง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 มีสตินะจดจ่ออยู่ที่เท้าขยับขยเยื่อนไงรู้หมดเลยหรือบางคนจะหยิบข้าวหยิบของนะเพ่ง อ, อยู่ที่มือมือขยับคลกิกๆๆกรรู้หมดเลยนี่คือเพ่ง อ, อารมณ์การเพ่ง อ, อารมณ์ภาษาบาลีเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานนะอารัมมณูปนิชฌานคือการทาสมถกรรมฐานเนี่ยตำลับตำลานะสอนมาตั้งหลายพันปีแล้วมาถึงวันนี้ก็ยังทาผิดเหมือนเดิมอีกก็ยังไปเพ่ง อ, อีก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 สมถะนะมีเชื่อหนึ่งว่าอารามณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์ส่วนวิปัสนาชื่อลักขณูปนิชฌานฌานตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเพ่งนะคนไทยไปชอบแปลฌานว่าเพ่งซะอย่างเดียวยมันเป็นการเพ่งเล็งใส่ใจใส่ใจในความเป็นไตรลักษ์รู้ที่ความเป็นไตรลักษ์ของรูปธรรมนามธรรม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 ขณะที่ท่านได้โสดาเนี่ยนะจักขงอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นยาณะอุทธปาธิความอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุทธปาธิปัญญาเกิดขึ้นวิชาอุทธปาธนะิวิชาเกิดขึ้นอาโลโกอุทธปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยในธรรมจักจะพูดไว้จักขงอุทธปาธิก็คือการที่มันมีจิตซึ่งถอดถอนตัวเองออกมาแล้วนะเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นจิตซึ่งเห็นธรรมะ ไม่ใช่จิตที่เห็นสัตว์เห็นคนเห็นตัวตนเห็นเราเห็นเขาเลแล้วจะเป็นจิตที่เห็นตัวสภาวธรรมนะมียาณนะ ม, มีการตามอย่างรู้ไปเรนะื่อยอะไรเกิดขึ้นก็อย่างรู้ลงไปตามรู้ลงไปนะมีปัญญาอุทธปาธิคือการเห็นไตรลักษณ์เห็นทุกสิ่งทุกอ ย, อย่างนั้นล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ทุกสิ่งที่ยานไปอย่างรู้นะั้นแสดงไตรลักษณ์ทั้งสิน้นะเสร็จแล้วมีวิชาอุทธปาธิคือรู้แจ้งอริยสัจขึ้นะ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 นิมนต์ครับนิมนต์